ิ่งที่ให้ท่านนายส่งไปในเป็นเรื่องประวัติยอ่อๆคือจริงๆเวลาเราจะอ่านคัมภีร์อันกุลอ่านเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราควรรู้ก็คือรู้ประวัติศาสตร์ ค, ความเป็นมาของขอ ง, ของความเกิดขึ้นของเขาเพราะว่าในคัมภีร์อันกุลอ่านไม่ได้กล่าวรายละเอียดเลยว่าะะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเป็นประวัติศาสตร์ ท้าพูดถึงถ้าเชื่อมโยงกับทางในตัวมุสลิมเนี่ยนในด้านของในด้านที่ที่สารานาที่เราไปกันเนี่ยสารานาที่ไปที่ว่าพ่อหนูก็ได้ไปสารานาแต่หนูไม่ได้ไปนารันต า, นาสารานาคืออันที่แสดงธรรมจักขับพเจ้าท่านนี้นอ๋อ ที่เราไปตรงนั้นที่มีพระเจดีย์แล้วก็เจดีย์อันหนึ่งที่ถูกตัดเจดีย์ที่ถูกตัดที่ว่าเราไปลอไปข้างในไปสวดธรรมจักรตรงนั้นเนี่ยสมัยตั้งแต่เราเราพุทธศักราชที่17ตัวประมาณปศ1700ปี <c oughs> ก็กลุ่มมุสลิมเติร์กเนี่ยมาบุกเมืองกาฬาสีพอมาบุกแล้วก็ ทำให้ก็เวียนมาทำลายวัดวารามเนี่ยแล้วก็ฆ่าพระสงฆ์แล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองไปจากซาลนาได้หลายครั้งใช้อูดมาบรรทุกทรพัพย์สินเนี่ยครั้งละประมาณสามร้อยตุวบัรทุกไปที่เดลีตอนนั้นเา็าเป็นรัฐก็กล้วรัฐสุลต่านของเดลีเนี่ยทีนี้คำว่าเติร์กเนี่ยถามว่ามายังไง ติกหรืเ ต, รติรก์กีเนี่ติร์กเนี่ยเนี่ยจริงๆก็มาจากประเทศเติร์กีเติร์กเนี่ยเนี่ยถ้าทางไทยเราเรียกก็เตุรกีจริงๆเขาเรียกเติร์กีเนี่ยทีนี้ถ้ามองนี้ก็คือจะได้เห็นว่าอ๋อเติรก์กเนี่ยคนเติร์กเนี่ยถิ่นเดิมไม่ได้อยู่ที่เติร์กีหรอกไม่ได้อยู่ที่ตะวันออกกลางแต่อยู่เหนืออินเดียไปทางอาเซียกาน ถัดจากประเทศจีนแล้วก็ถัดจากประเทศที่เบตไปเนี่ยทีนี้ทางตะวันตกเขาอยู่ติดทางรัเสเซียไปทังนู้นเนี่ยพวกเติร์กที่อยู่อาเซียกลางเนี่ยถามว่าเป็นมาอย่างไรถ้ามองไปแล้วก็คือว่าจะเห็นว่าสุดเขตตะวันออกกลางมันห่างไปราวๆ 3,000 กิโลเมตรเนี่ยันเกี่ยวกวับความเป็นมาของาศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามเนี่ย น, นี่โดยโดยย่อๆก็คือว่าในก่อนเนี่ยถ้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยต้องวางใจต้องวางใจนิดนึงเพราะว่าเวลาฟังแล้วอย่าไปโกรธเขาประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์นั้นความรู้กับความเห็นถ้าพูดถึงเรื่องความรู้เราบอกนี่นี่นี่เป็นความรู้นะปราณนส่วนแต่ความคิดเห็นก็ว่ า, ากนันอีกทีอื อันนี้ก็จะให้ทางประวัติให้ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เราจะได้ว่าจะได้เกิดความเข้าใจเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องราวปุ๊บเราเอาความรู้สึกเข้าไปจับขึ้นมาเราจะรู้สึกโอ้โหทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอาศัยข้อมูลความรู้ ศึกษาสิ่งทั้งหลายด้วยควา ม, มเมตตาอดีด้วยปัญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะปัญญาก็คือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ในนี้สําคัญมากเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สเวลาเราจะเรียนรู้อะไรดูสังเกตดูอะ้รเราจะรับรู้อะไรเรียนรู้อะไรเนี่ยถ้าความรู้สึกไปจับปุ๊บเนี่ยมันจะได้ชอบไม่ชอบแล้วเฉยๆยแต่ถ้าใช้ปัญญาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสุขใจที่เราได้รู้ความจริง มันเวลาเราจะไปอ่านคัมภีร์อันกุรานเราต้องรู้ประวัติศาสตร์ของเขาก่อนตรงเนี้ยที่จริงที่แรกจริงๆฉันกำลังนึกเรื่องนี้แหละว่าเอเดี๋ยวถ้าหาพักที่คอนโดยูดแอนก็เดี๋ยวจะไม่ได้คุยเรื่องนี้นก็เป็นเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเวลาจะไปอ่านเรื่องท่านหลาเรื่อเนี้นเยเพราะว่าหนูไม่ได้มีพื้นพุทธศาสนาที่เข้งงมงวดคนที่ไม่มีพื้นทั้ง คำว่ามีไม่มีพื้นฐานพุทธศาสตร์นาแข็งแรงไม่ใช่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้นั่นพระอ่านอะไรเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกที่จิตของเราก็จะไปเสพอาจจะอินในสิ่งที่ว่าเหมือนือท่านนั้นขึ้นไปบนรถท่านนั้นอ่านเในพระสูตรๆนึ่อ่านแล้วก็ก็ความเข้าใจก็ไปถึงพระสูตรของของพระศาสนาเจ้าคะไม่ใช่ของของพระอ๋อของพระของของพุทธศาสตร์นะด้วยการที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจเนี่ย ทีสมมุติถ้าเราเมตตาถ้าเราไปเมตตาและแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราไร้ปัญญาการแก้ปัญหามันก็จะตกอยู่กับโมหะกติคือลําเอียงเพราะไม่รู้เห็นไหมว่าถึงแม้มีเมตตาทั้งๆที่มีเจตนาดีเป็นกุศลจิตนี่แหละแต่เพราะการที่เราไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงเราไร้ปัญญามันจะเป็นโมหะกติ เมื่อเราอ่านสิ่งใดๆก็แล้วแต่พออ่านข็้นมาปุ๊บเนี่ยเราโอ้ดีนะแต่เราขาดปัญญาที่จะวิจัยแยกะแยะหรือเหมือนกรณีที่ว่าเราเจอใครสักคนเราเมตตาเมตตาแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าคนคนค น, นี้เขามีพื้นเพยอย่างไรถ้าเราไปเมตตาอย่างเดียวน่งเข้าน่งเข้าเป็นอะไรเราเป็นโมหากติแล้วก็ไปทำลาย แทนที่จะไปแก้ไขปัญหาให้เขาแล้วก็ไปทำลายเขาด้วยมันหนูจะรักแฟนหนูต้องรักด้วยเมตตาและต้องมีปัญญานนาถ้ารักด้วยแค่เมตตาหรือด้วยตัณหาอย่างเดียวปุ๊บหนูจะกลายเป็นชั้นดาคติแล้วเป็นโมหคติเลย<ม>หลงไม่เข้าใจไม่แยกแยะถ้าเขาทำถูกใจหนูโอโ้โหยังก็เต็มที่ทำให้ถูกใจหนูก็เครียดก็โกรธอย่างที่เป็นเนี่ย นันตรงนี้สําคัญนะเวลาหนูจะไปเกี่ยวข้องกับแปนโดยเยพาแฟนเนี่ยในพวกอาการติ่งนั่นตรงนั้นหนึ่งลำเอียงเพราะรักสองลำเอียงเพราะโกรธสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวทีนี้ให้สังเกตดู ว, ว่าถ้าเราไปศึกษาด้านศาสนาโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะมันจะเสียหายจะกลายเป็นโมหะคติไป ฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่จะต้องบอกว่าใช้เจตนาที่ประกอบไปด้วยเมตตาก็คือรักปรารถนาดีมีเจตนาดีด้วยอันมีความมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาและเสริมสร้างความสมัครสมานให้คนอยู่ร่วมกันด้วยเมตีให้เกิดให้โลกมีสันติสุขถ้าตั้งเจตนาแบบนี้ชัดเลยเออเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยนะเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ย เกิดในดินแดนที่เป็นประเทศซาอุดีอาระเบียใช่ไหมในปัจจุบันศาสนิกหรือพูดนับถือศาสนาอิสลาม เ, เขาเรียกว่าม穆斯林ดีไหมพระศาสดาของศาสนาอิสลามมีนามว่ามูฮัมหมัดเขียนเป็นมูฮัมหมัดหรือคําว่าพระศาสดาในที่นี้ชาวมุสลิมเขาเรียกว่าน บ, บีน บ, บีใช่ไหมนะ อาจเป็นนบีก็ไดาา้คิดว่านาบีเนี่ยเราจะดีค่าแกะคิดว่าเนี่ยคิดว่านาบี่เราจะขีคาแกะที น, นี้พรนบีมูฮัมหมัดเนี่ยประสูติที่ไหนที่เมืองอาจเป็นเมกกะหรือมักกะนะมักกะ m a m e c แล้วก็มกกเมกะแล้วก็แล้วก็ c a นะอาจเป็นเมกกะ ะะเรียกกันว่าเมฆกะก็ได้ประมาณพุทธศักราชก็ประมาณ570ปีถ้าพุทธศักราชก็ 1,113 ปีอันนี้พุทธศาสนามาก่อนแล้วใช่คะมาก่อนอ๋อมาก่อนออมาก่อนอิสลามโอ้โหก็นับเนี่พุทธเจ้าปรินิพานแล้ว 1,113 ปีนบีมูฮัมหมัดที่เกิดอ๋อ <laughs> นี่พุทธเจ้าตายแล้วเนี่ยพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยไม่ต้องนับว่าเกิดเอาเอาแค่ตายเลยนี่เป็นงี้ทีนั้นในยุคนั้นเนี่ยชนเผ่าชนเผ่าพวกอาลับเนี่ยมีพ้นภพชนเผ่ามากมายแบ่งแยกกันค่อนข้างมากท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยท่านกัมพ้าพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดนบีมูฮัมหมัดคือคนเดียวกันป่ะใช่โอเคนบีเนี่ยออ ยังไม่ประสูตินี่แหละตอนที่ท่านยังไม่ประสูติพ่อตายกาัมพ้าพ่อเกิดมาแล้วเนี่ยหกปีแม่ตาย<ม>ก็คือกัมพ้าทั้งพ่อและแม่ีมต้องรู้ประวัตินี้กันเลก็คือลูกกัมพ้านี่ยท่านเป็นท่านปู่ก็ดูแลท่านมาจนอายุแปดปีถ้าพูดเขานับถือกันเขาเรียกแปดพรรษานี่แหละอยู่ในการควบคุมข อ, ของท่านลุงลุงท่านนนะ่ ย, น, ยนามว่า อาบูตาลิปหรืออาบูตาลิดเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าฮะซิมฮะซิมเนี่ยพออายุยี่สิบห้าปีก็ทำงานไปดูแลกิจการการค้าขายของเศรษฐีไม้เศรษฐีไม้คนหนึ่งชื่อว่าคดีฮะคดีฮะเนื่องจากตรงนเนี้ยนียไอตีอักษรอาจจะไม่ชัด ต้องดูตําราก็าหลังประกอบทีนี้ต่อมาท่านก็ได้สมรสกับคนคเนี้ยที่เป็นแม่ไม้หญิงไม้ที่ที่ไปไปดูแลกิจการให้เขาเนี่แหนะชื่อคดีฮะนี่แหละแล้วก็มีเวลาฮตอนนั้นท่านก็หลังอยากนั้นเปิดเสร็จเนะี่ยท่านก็มีฮมีเวลาความสงบมากขึ้นพอถึงพุทธศักราชประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามปีเนี่ยตอนนั้นท่านอายุสี่สิบปีเลยนะมีเรื่องแล้วว่า ท่านอยากไปหาความสงบในถ้าเข้าไปในถ้าก็ได้มองเห็นพระอัลลอบมอบองค์การให้ท่านสั่งสอนเนี่ยท่านไปเชื่อมโยงตรงนี้แหละคือท่านไปคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ในถ้าแล้วต่อมาท่านก็ว่าท่านไปติดต่อกับพระอัลลอบได้นี่แหละคือต่อแต่นี้ไปท่านก็เลยได้รับเอาเขาเรียกว่าพระวิวันวิวันพศ เพิ่มมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆก็คืออันรวมกันเป็นพระคัมภีร์เขาเรียกอันกุรอานเซึ่งมีหลักการสูงสุดว่ามีพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮและพระมูฮัมหมัดหนึ่งน บ, บีก็คือาศาสดาผู้ประกาศเพราะว่าจ้นะของพระเจ้าเห็นไหมเนี่ยเขาอ๋อเนี่ย น, ะน บ, บีเป็นผู้ประกาศเป็นผู้รับองค์การจากพระเจ้ามาเอใ้ให้ให้ให้รู้อย่างนี้เป็นคือเป็น คือาศาสดาผู้ประกาศวจนะส่วนพระอัลลอฮ์เป็นาศาสดาสูงสุดน บ, บีมูฮัมหมัดเนี่ยรับพระวจนะประกาศวจนะของพระอเมื่อพร ะ, พระน บ, บีมูฮัมหมัดเนี่ยเผยแผ่คําสอนในเมืองมะกกะก็มีคนไม่พอใจพอมีคนไม่พอใจก็คิดมุ่งร้ายคิดประทุษร้ายแต่ลุงเนี่ยที่เป็นหัวหน้าเผ่าช่วยคุ้มครองไว้จนถึงพศหนึ่งพันหนึ่งร้อยหก สิบสองหรือประมาณคิเต ศ, ศากาลก็ประมาณหกรอยสิบเก้าปีเนี่ยลุงก็ถึงแก่วนนกรณนตรกำลุงท่านที่คอยคุ้มครองท่านเนี่นะและในเวลาใกล้กัน น, นั้นเศรษฐีนี้เนี่ยภรรยาเนี่ยเพราะได้ได้ปรรยาไม่และภรรยาใน ย, ยุ่งมากก็ถึงแนานานก่มรันตะกำลีอีกอภรรยายตายพราะแม่เ<อ>มียก็ตายอีกก็เลยไม่มีคนคุ้มครองเลยท่านไม่มีคนคุ้มครองเลยแต่เนี้ย ต่อมาท่านก็มองหินไัยที่จะมาถูกบีบคั้นและสั่งสอนก็เลยพร้อมด้วยสาวกประมาณเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนก็คือลูกน้องของภรรยาะ <Yeah. S 1> ตกลงตัดความสัมคื อ, คอตัดความสัมพันธ์สายเลือดกับเผ่าในเมืองเมกะประมาณพุทธศักราชก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าถ้าคิศักราชก็เอาไก็ประมาณ 6กร้อยยี่สิบสองปีก็พากันอบพยพออกมาจากเมืองมาักกะไปอยู่ที่เมืองยาทริบบัตรนีบัตรนี้ก็เรียกว่ามดีนะเนี่ยเมืองมดีนะห่างขึ้นไปทางเหนือก็ประมาณสักสี่รอยกิโลเมตรเนี่ยเหตุการณ์สำคัญนี้ถือเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของักสหลาดของศาสนาอิสลามนะเขาเรียกฮิสละอเนี่ยเริ่มต้นแล้ว<ม>เป็นคำอาหลับก็แปลว่าฮิสละอกนี่ก็แปลว่าอบพยพ แต่ว่าอบพยพสักรลาดของอิสราเนึงเท่ากับว่าเท่ากับว่าพศออของเราเนี่ยออหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าที่เสละเรื่มพศหนึ่งของเขาเนึ่ที่ในเมืองมดีนะนี่แหละก็มีปัญหาขัดแย้งระหว่างเผ่าต่างๆมากมายรวมทั้งพวกยิวด้วยพันนบีเนี่ยต้องสู้รบกับชาวเมืองมากกับาและขยายวงสัมพันธ์ในเมืองมดีนะทีนี้กองคารวาน การค้าของชาวเมืองมะ ก, กะก็ต้องผ่านเมืองมา ด, ดีนาเนี่ยพรนนบีมูฮัมมัดก็ยกกองกําลังไปสุ้มแล้วก็ตัดกองกําลังกับพวกมะ ก, กะทำให้พวกนั้นอ่อนกําลังลงแล้วก็ทางมา ด, ดีนาก็มีกําลังเพิ่มขึ้นนบีมูฮัมมัดก็มีชัยชนะยิ่งใหญ่ก็อยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยและต่อมาก็มันมีการพ่ายแพ้ด้วยเนี่ยต่อมาพวกมกกะกะก็ยกกองทัพใหญ่เลยที่จะมาสู้กับ นบีมูฮัมมัดเนี่ยกองกำลังท่านกล่าวไว้ประมาณหนึ่งหมื่นคนยกกองกำลังมาเห็นไหมหนูจะสังเกตว่าเอ่ออันนี้พูดว่าเออยังไม่ถ้าถ้ามองหนูฟังไปเรื่อยๆหนูจะเห็นว่าคือต่อสู้กันตลอดออมันล้อมเมืองมาดีนะในปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนี่ยตอนที่เป็นการลบที่ ที่รุนแรงมากแล้วก็ท่านชนะน บ, บีมูรัมัดชนะกองพับนั้นพ่ายแพ้ไปพ่านบีก็ใช้เวลาในการผนึกกำลังมีการปราบพวกที่แข็งข้อแล้วก็ที่ไปเข้ากับพวกมากาศเนี่ยโดยเฉพาะพวกยิวมีอยู่ถึงสามเผ่าซึ่งท่านก็ปราบปรามสมศรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามียิวเผ่าหนึ่ง ที่คิดร้ายต่อท่านระหว่างที่พวกไม่กระมาล้อมเนี่ยท่านต้องปราบใหญ่ด้วยการสังหารผู้ชายทั้งหมดฆ่าผู้ชายหมดแล้วก็ข า, ขายผู้หญิงและเด็กเป็นทาสออกไปพ้นจำเมืองนะ<ม>นี่นะพอถึงประมาณเดือนมกลา2000ประมาณ 1,173 ถ้าคิดจะศักราชก็ประมาณ630ปีเนี่ย ทางมักกะในีก็อ่อนกําลังก็เข้ามาตีเมืองมาดีนะเนี่ยไม่สําเร็จทางเศรษฐกิจก็โป้เปี้ยมาเส้นทางคารวาลก็ถูกตัดนั่มีมวลวัตถงยกกองกําลังประมาณหมื่นคนไปยังเมืองมักกะฝ่ายเมืองนั้นก็เปิดเมืองรับยอมอ่อนน้อมยอมยอมแพ้เนยประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าฝ่ายสัตรูในครั้งนั้นถูกสังหารยี่สิบแปดคนฝ่ายมุสลิมเสียชีวิตสองคน ครั้งหลังนี้นะครั้งที่ไปเมกาใช่ไหมใช่ใ ช, ใ ช, ใช่ทีนี้น บ, บีมูฮัมหมัดใช้เวลาสิบห้าถึงยี่สิบวันจัดวางระเบียบการบริหารการปกครองด้วยกันโดยเฉพาะก็คือทำลายรูปเคารพหมดจากวิหารก บ, บาก์ก บ, บาก็เรียกเรียกกบาก็ได้ทีนี้ศ า, าสนาฐานใกล้เคียงและกลับสู่มาดีนะแล้วจะเห็นว่าในยุคนั้นเนี่ย พุทธศาสนาเนี่ยจเจริญเข้าไปจนถึงถึงไอแถวเมกะแถวอะไรต่างๆใยพุทธศาสนาจเจริญ น, นั้นจเจริญไปตั้งอาศยยการมีแทบทั้งหมดแล้วในยุคนั้นแต่ก็ถูกทำลายในช่วงนี้นบีมูฮัมมัดก็ออกล็อกกับชนเผ่าอื่นที่เข้มแข็งท่านชนะก็มีเผ่าต่างๆมาขอขึ้นด้วยอู่มากมายและจนกระทั่ง สรุปประเด็นก็คือก่อนที่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยจะถึงแก่กัรอันนี้จะกรรมขึ้นตายเขาถือว่านาบีมูฮัมหมัดเนี่ยตายแล้วขึ้นสวรรค์ข<ม>องเขาถือกันอย่างนั้นเพราะเขาจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าที่เคารพเนี่ยเคารพก็พระเจ้ายอย่าลืมนะ<ม>นั่นเขาตายเขาไม่ได้พูดถึงว่าทําดีหรือไม่ดี<ม>เพราะการการะทําเขาเนี่ยเป็นการทําเขาไปอยู่พระเจ้ า, ว, ม า, ม า, นานวันที่ประมาณวันทนะี่แปดมีทุนาย คิดตศักกาก็หกร้อยสาสิบสองปีถ้าพุทธศักราก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าปีท่านไม่ใช่เป็นผู้ปกครองอาหราบับีทั้งหมดเท่านั้นแต่ได้เคยยาอาทัพไปในยกกองทัพไปสามหมื่นคน mm hmm. ไปกำหลาบชายแดนถึงซีเรียท่านถึงขนาดนั้นนย mm hmm. มันอิสลามนี่แผ่ไฟสายมาัน mm hmm. ขั้นนบีมูฮัมหมัดเนี่ยสเสด็จสู่สวรรค์ปุ๊บ mm hmm. เนื่องจากท่านมีภรรยากี่คน เก้าค น, าคนมีเมียเก้าคนคือหลังจากที่แม่แมตายใช่ไหมครับใช<า>่มีภรรยาเก<ม>้าค น, คนทีนี้ต่างกทีนี้แต่บุตรชายทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตชีวิตตั้งแต่เป็นทารกอือไม่มีลูกผู้ชายตายหมดที่ดาก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านเดียวมีลูกอยู่คนเดียวท่านนั้นเอง่ากภรรยายทั้งเก้าเนี่ยชื่อท่านฟาติมะ คือทิดาคนนี้เกิดจากคดีฮะคดียะคดียะได้มีปัญหาว่าใครต่อมานี่ใครเจ็บขึ้นขึ้นปกครองแทนอย่างไรเขาจะต้องมีตําแหน่งแทนเนี่ยซึ่งเขาเรียกกันว่ากาหลิบคนที่จะปกจะแทนจะแทนเขาเรียกว่ารับตําแหน่งแทนแทนนัมีบัวหมัดเนี่ยที่จะเป็นกาหลิบคนที่สืบต่อก็เรียกกาหลิบ ทีนี้ถึงเวาลานั้นความแตกแยกเริ่มต้นขึ้นแล้วอิสลามตอนนี้ตามเรื่องที่สืบกันมาฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ต่อมาเป็นนิกายซุนนีเนี่ยเล่าว่านบีบรูฮามัดเนี่ยไม่ได้ตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สืบตำแหน่งเมื่อเรื่องดำเนินไปในที่สุดชาวมุสลิมที่เป็นมดีนมดีนะเนี่ยได้ตกลงเลือกท่านกาบูกะบะกะบะกันเลยกาบูเนี่ยซึ่งเป็นสัสุราก็คือเป็นพ่อตา เป็นพ่อตาผู้เป็นบิดาของภรรยาที่โปรดที่สุดของนบีบุฮาหมัด<ม>แล้วก็ใกล้ชิดช่วยงานนบี ม, ลมัลัมัดเลยนบีบุฮาหมัดมาตลอดขึ้นเป็นกาหลิบท่านแรกแต่จากคําบอกของอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ต่อมาก็คือที่กาชีอาเนี่ยว่าองค์นบีเนี่ยได้กําหนดไว้แล้วให้ท่านอาลีอาลีเนี่ยเป็นบุตรเขยที่เป็นสามีของปาติมะเป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ย ต้องการให้คนคนนี้ยเป็นผู้สืบต่อในฝ่ายท่านอาบูเนี่ยกระ บ, บะเนี่ยดําเนินการไปเช่นนั้นแล้วท่านอาลีก็จำต้องยอมใหม่ๆนี่นะที่เป็นเคยเนี่ยเห็นแก่ความสามาัคคีแม้ว่ากาหลิบท่านแรกคือท่านอาบูเนี่ยกระ บ, บะเนี่ยซึ่งดํารงสูตรตำแหน่งฉลาแล้วตอนนั้นแก่จัดแล้วอยู่ไม่ได้สองปีแต่ท่านสร้างความจเจริญแก่อิสลามอย่างมากเลยเนะคือนอกจากจะปราบชนฆ่าคน แล้วเนี่ยให้คนมาสวานี่มีพักอีเยอะแยะจนเรียบร้อยเปเรจท่านอาบูเนี่ยก็ได้กรีทัพขึ้นเหนือเข้ายึดคองบางส่วนของอิรักตอนใต้แล้วก็ยึดยึดยึดซีเรียได้ด้วยทีนี้ท่านอาบูกะบะเนี่ยสิ้นชีวิตเอ่อพศหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดหรือประมาณหกร้อยหร้อยสามสิบสี่คิษษดเลกราเนี่ยท่านต่อมาท่านอูมา อูมาเนี่ยเรียกว่าอุมาที่หนึ่งที่เป็นพ่อตานี่ก็เป็นพ่อตาเหมือนกันนะที่เป็นบีดาของภรรยาท่านที่สามขององค์นบีมูฮัมมัดเพราะมีภรรยาเยอะพ่อตามีเยอะก็ขึ้นเป็นกาลิบกาลิบองค์ที่สองปีต่อมาทางด้านเหนือเนี่ยอุมาเนี่ยก็เข้ายึดกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียได้ทีนี้จากจากประวัติโรมันตะวันออกนี่คือบิเซนตีนเนี่ย ก็คือแล้วพอมาถึงพศ21181ท่านก็ยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ อ, อันนี้สำคัญมากตรงเนี้ยอันนี้เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ันตามที่สาลของอิสลามเขาทุกวันเนี่เนี่ยเยรูเล็มของปาเลสไตน์ใช่ใช่ใเป็นเมืองที่มุสลิมถือว่าองค์นบีเสรรด็จ ข, ข, ข, ขึ้นสู่สวรรค์และได้ครองปาเลสไตน์เนี่ยนเขาบอกขึ้นขึ้นสู่สวรรค์ที่ตรงนี้ เพร า, าต่ตรงนี้ใชะด้านตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพมุสลิมก็ลุกเข้าสู่จั ก, กรวรรดิเปอร์เซียยึดอิรักได้แล้วก็ลุกไปจนถึงตะวันตกเฉียงใต้จนถึงอิหร่านคือจริงๆแต่ก่อนเพื่อศาสนาเผยแพร่ถึงอิหร่านนะเนี่ย น, นะนึนโดนยึดได้แล้วก็ลุกเข้าไปถึงตะวันตกเฉียงใต้ถึงโอิหร่านแล้วก็เปอร์เซียยิ่งยทีนี้คืออิหร่านเนี่ยเขา ปกครองเข้ามานี่ยของเขา400ปีก็ล่มสลายเพเพรา อ, อ, อ, อิสลามทีนี้ทางตะวันตกมุสลิมตีไปถึงไหนถึงอียิปต์แล้วก็ยึดครองอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมกรีกสึกมาจนถึงยุคโร ม, มันเนี่ยแล้วก็ถึงเมืองหลวงเมืองหลวงของมุสลิมในอียิปต์แล้วก็นําอียิปต์เข้าสู่จุดเริ่มที่จะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาหรับในสมัยต่อมาเนี่ดูยึดขนาดนั้นนะ หลังจากการปกครองแผ่นดินได้สิบปีอุมาที่หนึ่งถูกท่าชาวเปอร์เซียสังหารต่อมาท่านอุสมานอุสมานผู้เป็นบุตรเขยท่านหนึ่งขององค์นบีเนี่ยก็เป็นกาหลิบขึ้นมาองค์ที่สามอตเนี้ยองค์ที่สามแม้ท่านอุสมานเนี่ยจะได้เผยแผ่จกักรวรรดิอิสลามออกไปมากแต่ชัยชนะช่วงนี้มีความสูญเสียมากทรัพย์สินที่ยึดมาไายก็มีปริมาณน้อยลงน้อยลง ท่านก็หันมาวางระเบียบภายในให้แน่นหนาแล้วก็เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยจะราบลื่นเร่กตอนในยุคนี้เกิดกบฏในอียิปบ้างในอิรักบ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มีพวกกบฏพอประมาณพุทธศักราช1199เนี่ยกบฏจากอียิปยกมาถึงมะดีนะก็มีการลบกันแต่ในที่สุดท่านถูกพวกกบฏสังหารฆ่าตายทีเนีย ต่อมาชีอะมันแยกออกมายังไงเมื่ออุสมา n กาลิบองค์ที่สามข้นชี้ปุ๊บเวลาผ่านมาตั้งแต่นบีขึ้นสู่สวรรค์ยี่สิบยี่บสี่ปีนะท่านอาลีซึ่งเป็นบุตรเขยเนี่ยทึงพระตำแหน่งแทนที่จะได้ได้เป็นกาลิบองค์แรกถึงตอนเนี้ยก็ได้รับการยอมรับจากชาวเมืองมาดีนะและจาพวกกบฏให้เป็นกาลิบองค์ที่สี่ แ่ที่ดามัสกัสผู้ปกครองเซียรีย์ซึ่งเป็นญาติของท่านอุสมานาลิปองที่สามไม่ยอมรับท่านอาลีทั้งได้เรียกร้องให้มีการแก้แค้นให้แก่ท่านอุสมานด้วยตอนนี้ถึงจุดแตกขักแล้วตอนคธศักราช657หรือพศก็ 1,200 ปีนี่สองฝ่ายก็ปะทะกันแต่ยังเอาชนะกันไม่ได้เจราจาท่านอาลีก็เลยยอม ออยอมมีสถานะเสมอกับผู้ครองซีเรียว่าว่า ง, งั้นไม่ไม่ยอมเป็นก็ไม่เป็นแต่สาวกส่วนหนึ่งของอาลีต่อมาเรียกว่าคารีใจคารีใจโกรธแค้นมากบกถือเป็นความอัประยที่ท่านอาลียอมเช่นนั้นก็เลยแยกตัวออกไปเป็นศัตรูและลั่นวาจาว่าจะจะฆ่า อ, อาลีเสียเลยว่า ง, งัถอและผู้ครองซีเรียแล้วพวกนี้แหละต่อมาก็ได้สังหารอาลี ท่านอาลีที่เป็นบุตรเขยของของนบีมูฮัมหมัดในฆ่าได้ตอนพศ6661ปีหรือ 1,204 ศูนย์สี่ทีนี้ต่อมาท่านฮะสซันท่านฮะสซันคือใครบุตรคนโตของท่านอาลีซึ่งเป็นหลานตาของพระนบีอ้างตนขึ้นมาเป็นกาลิบแต่แล้วก็ถูกกดดันจากฝ่ายซีเรียจำนวนเอจจังทางเหนือจำนวนมากมาทำให้สละตาแหน่งอีก ตอนนี้แหละมาถึงพศ1204เนี่ยผู้ครองซีเรีย ท, ที่ที่ดามัสก์น้มว่ามูอาวิยะมูอาวิยะเนี่ยประกาศตั้งตัวขึ้นเป็นการลิบใหม่แล้วก็ย้ายนาครหลวงของอิสลามจากมดีนะมายังมาดัสก์ทั้งเลิกทั้งเลิกทั้งเลิกการเลือกตั้งประมุข ค, คือการลิบเปลี่ยนมาเป็นการสืบราชวงศ์แทนเลยดัยนะดงนั้น จึงเกิดราชวงศ์การลิดดามัสกัสเรียกว่าราชวงศ์อูมัสยักทีนี้ต่อมาก็ปกครองอิสลามอยู่ประมาณหนึ่งศตวรรษมา1 0อปีทีนี้เกิดความขัดแย้งสาวกที่จงรักภักดีกับท่านอลีซึ่งเรียกตัวเองว่าชีอะเนี่ยนีมาแล้วหนหมีมาสายของท่านอาลีาบอกกลุ่มชีอะเพราะว่าจริงๆคืออิสลามมีสองสายใหญ่ๆใช่ไหมไม่รา เคยรู้ไหมแฟนเป็นชีอะหรือเป็นอะไรไม่เคยไม่เคยทราบมีชีอะกัอะไรเ๋าไม่ทราบเลยทีนี้อืคําว่าชีอะก็แปลว่าผู้ชอบทำคือไม่ยอมรับกาหลิบที่ดามัสกัสเพราะถือว่าท่านฮูเซนเนี่ยบุตรคนที่สองท่านอาลีหลานตาคนเล็กของอบีเป็นกาลิบแต่พวกดามัสกัสเนี่ยยกกองทัพมาปราบ ท่านฮุเซนแล้วก็กองกําลังที่จงรับพระปีซึ่งมีจํานวนไม่มากก็ถูกสังหารหมดเลยทีเนี้ยในวันที่สิบเดือนเดือนมูฮัลัมเดือนแรกของปฏิทินอิสลามแห่งฮิสเล่เนี่ยสกราชที่หกสิบเอ็ดเนี่ยตรงกับพุทธสกุลลหนึ่งพันสองร้อยยี่สสาเหตุการณ์เนี่ยทําให้สาวกที่พักดีต่อท่านอาลีและต่อบุตรของท่านเนี่ยเกิดเคียดแค้นมากและแยกขาดออกกันอย่างแน่นอนก็เรียกว่านิกายชีอะ นี่นิกายที่แยกออกมาเนี่ยเป็นบุตรเป็นบุคคลถ้าก็จะเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าท่านฮูเซนถูกสังหารเป็นวันจัดพิธีใหญ่พอถึงวันเนี้ยอันนี้กายชีอะเนี่ยเขาจะเวลาเขาจะระลึกถึงเหตุการณ์เนี้เขาก็จะมีการมีการทำร้ายตนเองให้เลือดออกเคยเห็นไหมเขาใช้แส้ใช้เลยตีตัวเองเนี่ยในเวลาก้อนเนี่ยในเมืองไทยเขาเรียกว่าชีอะเขาเรียกนิกายเจ้าเซนนิกายเจ้าเ ซ, น, น, าเาเซนเขาเรียก ทนฮูเซนเนี่ยเวลาถึงวันนี้ตรงกับวันของเขาเขาจะมีการมาระลึกด้วยการเอาแส้เอาเรื่องต่างตีตัวเองให้เลือดไหลเหตุผลก็คือว่านิกายชีอาไม่ยอมรับกาหลบสามท่านแรกแต่ยอมรับเฉพาะท่านอาลีบุตรของท่านอาลีว่าเป็นผู้สืบสืบสื บ, สบอย่างถูกต้องเนี่ยนี้เป็นต้นนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่า อ, อิสลามก็เลยเป็นการเป็นสองนิกาย สุนีเป็นนิกายเดิมเขาที่แยกมาก็เป็นชีอะเราลองถามแฟนโดยนะว่าปกติแฟนบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยเขาต้องเป็นแน่นอนไม่เป็นสุนีก็ต้องเป็นชีอะชีอะนี่เป็นนิกายรุนแรงหน่อยเพราะเขาโกรธแค้นแต่ว่าสอนเหมือนกันสเจ้าค่ะก็ก็ก็มีความเป็อิสราเเหมือนกันแต่เป็นอิสรามเหมือนกันแต่แยกกันนี่นิกายใหญ่ๆเลยก็ดูอย่างในอิรักเนี่ยที่มันลอกกันเพราะมันไม่ถูกกันระหว่างชีอะกับสุนี อ, ใ, อในประเทศไทยเราเนี่ยนิกายสุนีเยะอะขี่อาก็มีนะขี่อ่ะที่ชอบทําร้ายตัวเองขณะนี้จักรวรติอิสลามเนี่ยกาลิบอูมัสยานเนี่ยที่ดามัสกัสก็มีอํานาจกลายเป็นคู่แข่งของจักรวรรดิโรมั น, นทีนี้ต่อมาเนี่ยหนึ่งศตวรรษเนี่ยนับตั้งแต่ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นแค่คิดถึงศักราชเจ็ดร้อยปี เศษต้นๆก่อนถึงพุทธศัรา 1, 300ันสา0ปีมุสลิมอาหรับเนี่ยแพ่ไปตะวันตกผ่านอ้าฟริกาเหนือขึ้นยุโรปไปถึงสเปนทั้งที่ฝรั่งเศสขยายตัวออกไปเนี่ยผ่านนั่นแหละเป็นอาฟกานิฐานลงมาจนถึงลุ่มแม่น้ำสินธุคลองแคว้นสินทะลุ ป, ปากีสถานเข้าถึงภาคตะวันออกของอินเดียเลยียนี้เออตะวันตกของอินเดียเลยนี่เข้ามาีนี้อยู่ในรัฐ คุชราตอันนี้ขึ้นกับตามเส้นทางสายไหมนะอา เ, อเซียกลางที่ประเทศจีนขยายบอกว่ า, วาชนมุสลิมอาหรับเนี่ยเข้าคลองแฟงสินธุทูก็ได้หรือว่าเข้ามาทางด้านของปากีสถานอาฟกานิสถานเนี่ยตรงนั้นจะมีหมาหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาก็เยหมายหลวลาวิทยาลัยวารี นี่ของเทรวาตเนี่ยโดนทําลายเกลี้ยงเนี้ยยกกองทัพขเข้ามาตีวรารภีทีเนี้ยเมืองหลวงคุชชราชเนี่ยแล้วก็ล้มราชวงศ์ไมตรักแล้วก็ทําลายล้างพระนครพินาตลงด้วยสิ้นเชิงทีนี้ครั้งนั้นมหาวิไลนับอะไรวารภีเนี่ยถูกทําลายไม่เหลือซากนี่เป็นมหาวิไลพุทธศาสตร์นาแห่งแรกที่ถูกทําลายนะนี่ไม่นับตักศิลานะที่ ทัพอาหรับมุสลิมเนี่ยก็ลุกขึ้นเข้ามาถึงปัญจาบแคสเมียกสมีรม์แล้วก็หยุดยัง้งส่วนทางเหนือทัพมุสลิมฝ่ายอาหรับทางด้านอาฟกนานิษฐานประมาณพุทธศักราชหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าปีก็พิชิตมาเริ่มตั้งแต่บัตรียโยนกเข้าทาง อ, อาเซียกลางเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็รบกับกองทัพจีนแถบเตอร์ต์กีสถานในทีนี้พอต่อมาเขาพ่ายแพ้เนี่ย ทีนี้อยู่ต่อมาเนี่ยมุสลิมเนี่ยอัลลับเนี่ยก็จับช่างฝีมือจากเมืองจีนไปได้เยอะจับเฉลยศึกมาที่แบกแดดช่างจีนเนี่ยเป็นคนที่เก่งพวกนี้ทำกระดาษเก่งแล้วก็ทำกระดาษให้แกแกเจ้านายพึ้ที่น่มุสลิมและจากชาวมุสลิมวิติก ต่อมาเนี่ยมุสลิมจะมีชื่อเสียงในด้านการทำกระดาษแต่ที่จริงก็คือฝีมือเริ่มต้นมาจริงๆ่มาจากพวกจีนเนี่ยพวกจีนเนี่ยถ้ามองนี้ก็จะได้เห็นว่าอ๋อเติร์กนี่นะตกีมาอย่างไงแต่เนี่ยถ้ามองก็คือประเทศตลุลกีหรือตุรกีเนี่ยอยู่ในอาเซียกลางแล้วไปมากที่สุดที่ตุรกีหลายพันกิโลมห่างกันเนี่ยทีนี้มุสลิมเนี่ยพิคิด เข้ายึดคองจนกลายเป็นในสุดจริงตระกีก็แถบนั้นก็เป็นมุสลิมทั้งหมดทีนี้ต่อมาถ้ามองถึงในเรื่องของ ม, มุสลิมที่เข้ามาทางด้านของของขอ ง, ของอินเดียเนี่ยแท้จริงก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกรีกโบราณหรืออะไรทั้งหลายเหล่านี้มุสลิมก็ตีได้หมดไง ปัญหาก็คือว่าจากยุคมุสลิมอาหรับก็สู่ยุ ค, ยคมุสลิมเติร์กนี่นงกาหลิปเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็กลายเป็นหุ่นเชิดของสุลต่านถ้าหากเราดูวงกาหลิปเนี่ ย, เ, ยเราจะดูว่าเวลาที่ทรงอำนาจแท้จริงนะจริงๆก็คือว่าประมาณหนึ่งศตวรรษก็ประมาณร้อยปีวงกาหลิบเนี่ยถ้าถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่า ในยุคมุสลิมเติร์กเนี่ยถ้าถ้าย้อนย้อนกลับไปหน่อยว่าลงมาทางด้านอาาัฟกานิฐฐานเหนือสุดๆของปากีสถานเนี่ยนะใกล้กับอัฟกานิฐานเนี่ยตอนนั้นน่ะเวลาเขาบุกเข้ามาเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าในอินเดียเนี่ยมุสลิมมันเข้ามานั้นในปีประมาณ 1,200 1,520 เนี่ยก็เกิดอาณาจาักรมุสลิมเติร์ก ตั้งตัวขึ้นเป็นสุลต่านขึ้นในอากานิฐานแล้วก็แผ่อำนาจไปทางอิหร่านยกทัพมาตีทางอินเดียจะถึงปัญจารลุ่มแม่น้ําสินธุแล้วเนี่ยพวกเตรกีนี่พวกเนี้ยสำคัญมากเขาเรียกเซนจุ จ, จตเตอร์จูตเตอร์กเกรียบพวกเนี้ยลบลบชนะอาณาจากักรยึดถ้าหัดกรุงแบกแดดกลุ่มหลายๆเขาเยอะกลุ่มเนี้ยโดยอ้างตัวพวกนี้เป็นพวกกาหลิบเป็นซุนีนะเป็นซุนี เนี่ยพวกเนี้ยเข้ามาลบเยอะแยะหมดแล้วก็ต่อมาเนี่ยถามว่าเข้ามาในพุทธศาสนาอย่างไงพวกเติร์กนี่เนี่ยเข้ามายึดเด ล, ลีประเทศไอเกย์ที่อินเดียปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์กลางก็เลยนั้นพุทธศาสนาก็ถูกเนี่ยถูกจากเด ล, ลีเขาก็บุกเข้ามาแล้วก็ทําลายพุทธศาสนาเพรหนูไม่ได้ไปที่นาลันทาใช่ไหมที่นาลันทา นาดัทาคือที่ตัดชลุกใชไหมไม่ที่ทนาดันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ๋อไม่ ไ, ไปเป็นแต่เป็นของมหายาล น, นยภิษณุเนี่ยหลายหมื่นลูกที่โดนโดนโดนโดนค่ามหายานกับหินนยานใช่ไหมเะะ้ค่ะแต่าง ม, มหายานคือเป็นเหมือนทิเบตใชมจ้ ค, ะคะ่ะมีหลายหลายนิกายคล้ายๆกันที่จริงเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่า เออมันมีอยู่ข้างหนึ่งได้เห็นยังเจงกิสคานเนี่ยมันยกเดียวกันเจงกิสคานเนี่ยโดนเออตีมุสลิมกระเจิงหมดเลยเพราะเออตอนนั้นน่ะเจงกิสคานเนี่ยไม่เลี้ยวเข้ามาอินเดียนะบุกมาได้แค่ตรงด้านปากีสถานเนี่ยอาฟกฐฐานิสถานตรงนี้แล้วเขาเลี้ยวเลี้ยวหลบอีทางแต่ไปที่ไหนพังกระจายเลยมุสลิมโซว์เลยนะวั น, นี้รบเก่งมาก แน่ต่อมาก็เป็นยังขิ้ขานก็เป็นอิสลิมกลุ่มกลุ่มกลุ่มมองโกลนี่แต่เพราะเราไม่ไม่ไม่ลพุทธไม่ได้สู้มันก็เลยมันก็พุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้เป็นรักษาถ้าเรามองนี้จะได้เห็นบอกว่าเขอยิ่งใหญ่เาขาเขาหลบเลแต่เขาไม่ใช่แบบ น, นั้นี่นี่นี่นี่ที่เล่ามาอย่างคร่าวๆตัวเนี้ย อ น, นี้เราจะได้เห็นพลังประวัติศาสตร์กลับมาสู่ยุคมุสลิมอีกนี่คือประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ก็เป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบันด้วยนะแล้วก็ส่งผมสืบเนื่องสุวรรณคตด้วยตามธรรมดานี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยนั้นที่เล่ามาอาจจะไม่ละเอียดแต่ต้องการจะชี้เหตุว่าเวลาเป็นพันๆปีเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าเออ การที่เรามองมองอิสลามก็ดีมองคริสต์ก็ดีเนี่ยหรือมองบุคคลที่แตกต่างก็ดีทางทัศนาของพุทธศาสนาก็มองเขาด้วยเมตตาด้วยเจตนาที่ดีแต่ต้องมีปัญญาสําคัญที่สุดก็คือความรู้ถ้าต้องมีเมตตาเป็นพื้นใจแล้วก็รู้เพื่อเอาปัญญามาเป็นเครื่องสนองกุศลเจตนาที่ประกอบไปด้วยเมตตาถ้าเราเราดูจากประวัติอย่างเนี้ยเราจะได้มองเห็นเวลาหนูจะไปอ่าน การกุานจะได้เข้าใจว่าเออโดยประวัติเ ข, าข้าๆจะได้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ส่วนในรายละเอียดที่ว่าเขาบุกเข้ามาในในที่ดาลันธาแล้วก็ทําลายพุทธศาสนาจริงๆเขาไม่ได้ทําลายพุทธศาสนาเขาทาลายคนที่เห็นต่างเขามีคติว่าการฆ่าคนเห็นต่างมันไม่บาปประเด็นมันอย่างนี้ เขาถือว่าไหนว่าว่าสงคามไม่ผิดคือเขามองว่าการที่ปุกคลมีความคิดเห็นต่างกันในโลกถึงวุ่นวายเขาต้องการให้คนเนี่ยนับถือพระเจ้าองค์เดียวแ ล, และเมื่อสามารถทําให้โลกใบเนี่ยนับถือหรือมีพระเจ้าองค์เดียวแล้วโลกจะสงกจะร่มเย็น อันนี้เป็นความเชื่อของเขาแต่วา่าเขาไมเห็นทางโลกว้พระเจ้าหนูนะความจริงก็ความจริงก็งก้อนก้อว่ายแท้ที่จริงแล้วอิสลามนิกายเหมือา ก, กันยังต่อสู้กันเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นความเชื่อก่อนทีนี้พอพอหนูฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าจะได้อะไรสิ่งที่หนูเพชรก็ต้องได้ก็คือว่าเอาและพอเรารู้อย่างนี้เสร็จเสร็จบ เราจะได้รู้อ๋อประวัติความเป็นมาในลักษณะอย่างนี้แบบคร่าวๆอันนี้ไม่ได้เล่าแบบเนี่ยตำรามากางแล้วก็เล่าตามตามประวัติศาสตร์ไม่ได้เล่าเอาใส่ความรู้สึกไม่ได้เอาความเห็นอันนี้เป็นความรู้เป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้อย่างนั้น<ป>และคนเขียนประวัติศาสตร์ก็กลุ่มและวิชาการของเขาเยองเป็นผู้เขียนและเขาสอนของเขามาอย่างนี้และเราเราก็ไปเรียนจากเขาเลย ในตอนนั้นเนี่ยม้าลายของพุทธศาสนาของไทยเราก็เชิญเขามาบรรยายให้พระัง mm. เ, เชิญกลุ่มผู้สตาร์ทเชิญกลุ่มไอ้กลุ่มที่เขาเป็นผู้นำศาสนาเขาบรรยายเราก็เรียนกันแล้วเขาจนบันทึกแล้วก็เรีย น, น, น, mm. ยนฉะนั้นเขาเล่าเนี่ย ของเขาด้วยแล้วก็เล่าด้วยความด้วยความที่เขามองเห็นคือทัศนะของเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาฟกานิสถานมีพุทธรูปใหญ่เคยได้ยินข่าวว่าบาบีใหญ่สูงประมาณร้อยห้าสิบเมตรใหญ่มากเจาะภูเขาพุทธรูปนี้เกิดขึ้นหลังพุทธปริิญพาประมาณสามร้อยปีสามสี่ร้อยปีประมาณนั้น ้าจะถึงห้าร้อยปีปะ่ะอ้โหูทั้งภูเขาใหญ่มากท่้นที่อัฟกันนิฐานเนี่ยต่อมาเนี่ยอิสลามเขาก็ไปยึดของแล้วมาเมื่อไม่นานมาเนี่ยประมาณสักสิบกว่าปีทีแลังต่อมาเนี่ยพอ อ, อิสลามก็กลุ่มหวัวรุนแรงเข้าไปยึดครองเขาก็ประกาศให้โลกที่พุทธรูปบาปิยานเนี่ยทาง ทางองค์การยูเนสโกแลวก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพอต่อมาเขาประกาศเขาปืนใหญ่ไปตั้งแล้วก็ถ่ายทอดสดยิงระพุทธลูกคนก็ฮ่าบวยวายกันทั้งโลกไอคนที่นับถือพุทธศาสน์หนาเขาโอ้โหยพยายามประท้วงไงเขาก็ไม่ฟังแล้วก็ทำพิธีถ่ายทอดสดแล้วก็กยิงใช้ปืนใหญ่ยิง ฉันก็ดูด้วยตอนนั้นเออเขาดูก็ทำาไมเขายิงโอ้โหพังทลายลงมาหินกระจายทะลุหมดเลยกนะันพังลงมาโอ้แต่นี้ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ที่หน้าที่ก็คือมีนักวิชาการอิสลามในธรรมศาสตร์เขาเขียนเขาบอกว่าการที่ชาวพุทธก็ดีหรือชาวโลกก็ดีที่พากันท้วงติงในกรณีที่ ที่อาร์นิฐานที่ปากิสถานเออปากิสถานหรืออาร์นิฐานเนี่ยที่คนอที่เขาไปทําลายพุทธรูปบาบิญานอันนั้นก็เป็นสิทธิ ท, ที่จะร้องเรียนได้แต่ก็ต้องเข้าใจแต่ก็ต้องเข้าใจว่าที่เขาไปทําลายรูปเอ่อลูปพุทธรูปเนี่ยเขาไม่ได้ทําลายในเขาทําลายในบ้านเขาเห็นดูดูทัศนะของเขาเนี่ยเขาทําลายในบ้านเขา เขาไม่ได้มาทําลายที่นอกบ้านเขาคือในเมืองของเขาแม้เขาจะยกตัวอย่างในาการเมืองไทยว่าแม้คุณซูรินหรือซุรินพิสุวรรณสมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมัก็ยังอัญเชิญพุทธ ร, รูปออกจากห้องทํางานหรือในวันมัวหมดัดนอมาทาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมหรือรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยก็ก็อัญเชิญพุทธลูกในห้องห้องในกระทรวงนั้นออกเลยเพราะว่า พวกเรามุลิมเนี่ยเราถือว่าเราจะไม่เคารพรูปคนอื่นมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทำเพราะเขาทำในบ้านของเขาถามว่าถ้าเราฟังแบบนี้เราจะเห็นว่าการที่มีคนมีทิฏฐิมีทัศนคติแบบนี้ถามว่ามันเป็นทัศนคติที่ถูกหรือผิดและเป็นทัศนคติที่ที่อันตรายหรือไม่อันตราย ถามว่าในกรณีแบบเนี้ยเออถ้าถ้าเกิดคนอื่นเขาคิดอย่างนี้บ้างจะทำยังไงสมมุติเขาบอกเออประเทศไทยสมมตุติเออเป็นประเทศพุทธถ้าฉันจะทําลายถ้าเขาคิดอย่างนี้บ้างอะไรจะเกิดขึ้นนี่นี่คือปัญหาอันนี้เชี่ใ้เห็นว่าจริงๆแต่พูดไม่คิดอย่างนั้นไง mm hmm. เพราะเราไม่ได้คิดว่าในบ้านนี้ในเมืองนี้อะทุกคนมีความเห็นต่างกันได้ คุณจะสร้างรูปเคารพยังไงจะสร้างโบสถ์ยังไงจะสร้างสุเหลวยังไงอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิทธิที่คุณจะเคารพนับถือแต่เออเนี่ยมาสร้างในประเทศของฉันนีม่มันยุ่งนะใช่ไหมลนะ่ะหรืออย่างที่บอกว่าที่มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเพราะเขาถือว่าที่มาเลเซียนี่มีคนนับถืออิสลามห้าสิบ 1%, 1แต่เขาก็โรยวายนะจริงๆไม่ถึงหรอกมีแค่ 49% แต่เขาบอกของเ้าเป็น 51% ฉะนั้นเขามีความชอบธรรมที่จะให้เป็นมีศาสนาประจำชาติไอ้กรณีแบบเนี้ยนี่นี่คือคื อ, คอทัศนคติซึ่งเราควรฟังแล้วก็ฟังด้วยด้วยปัญญาด้วยความรู้ mm hmm. นี้เขามีความเห็นแบบนี้เราจะได้เข้าใจเขานี่คือทัศนคติ mm hmm. แต่เราอย่าไปโกรธเขา แต่ให้รู้ว่าเขามีทัศนคติมีวิธีมีกระบวนการความคิดแบบนี้ทีนี้เอาละถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราเราจะเรารู้เราทารําความเข้าใจยอย่างนี้แล้วเราควรจะปฏิบัติต e ่อเขาอย่างไรก็ว่ากันนี่นี่คือทัศนคติแบบนี้ซึ่งอันนี้คือพันุเป็นภัยนะไ ภ, ไภไนนัยภายนอกภัยภายนอกถ้าหนูจะคุยกับแฟนหนูจะได้รู้จากเขา นั้นเวลาเขาศึกษาหรืออ่านคัมภีร์อันกุร่าอันเขาจะมีทัศนคติที่ที่ที่ถูกดึงดูดด้วยด้วยวิธีการแบบนี้และเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อระหว่างศาสนาคริสใช่ไหมพระเยซูก็เกิดก่อนแล้วห้าร้อยกว่าปีและยิวด้วยนเกิดก่อนคริสแต่จริงๆแล้วทั้งสามศาสนา คือพระเจ้าองค์เดียวครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องคริสต์ที่มาแตกเป็นโปรเตสแตนต์คาทอลิกแลือีกเยอะแยะหมดนะอิสลามก็มาเป็นสุนนีมาเป็นชีอะอะไรเงี้ยนะแล้วอีกแย่ย่อยไม่ต้องพูดถึงนี่เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าเออนี่คือทัศนคติที่ไปนับถือเมื่อไปนับถือขึ้นมาในที่สุดจริงๆก็บุคคลเหล่านี้ก็มาแตกกันเอง แล้วก็ห้ามหานกันซึ่งเราก็เห็นนี่นี่นีนี่ในกรณีที่ว่าก็คือทั้งหมดก็คือไม่เชื่อ น, นั่นเองไม่เชื่อว่าท่านคนนี้ไปไปเชื่อมโยงกับพระเจ้าจริงไหมอย่างไรงนั่นก็ว่ากันไปแต่เราถ้าเราเรียนรู้อย่างี้ปุ๊บพอหนูเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาพอสมควรแล้วนหนูอ่านได้หนูจะได้รู้ว่าโอ้การอ่านดีไหมดี แต่หนูต้องเอาปัญญาแล้วก็วางท่าทีทางใจแล้วก็อ่านเพื่อจะรู้เพื่อจะศึกษาแต่ไม่ใช่อ่านเพียงแค่นี้ทุกอย่างอ่านอยู่อย่าไปอย่าไปรังเกียจการอ่านอย่าไปรังเกียจการที่จะจะรู้แต่เพียงว่าพออ่านแล้วถ้าสงสัยถามสอบถามกุบารยารามีสอบถามได้ทุกบททีนี้มันมีปัญหาว่าเวลาเขาแปลอันอุลลาอาน จากไอ้ภาษาอันลับเข้าสู่เป็นภาษาไทยบางอย่างบางอย่างเขาเขาแปลไม่ได้เหตุผลเพราะถ้าแปลออกมาแล้วมันจะเกิดภาวะการต่อต้านดอันนั้นเขาก็จะเขาจะซอฟมากถ้าใครได้ต้นฉบับและรู้ภาษาอันกุลอานจริงๆหรือภาษาอันลับจริงๆก็จะรู้รู้ลึกๆของเขาทีนี้ พระไทยเราก็ดีหรือคนไทยเราก็ดีบางคนเนี่ยเขาเป็นนักการคนควา้าเขาเขาศึกษาภาษานพอไปอ่านขึ้นมาพอมาแปลออมาเราก็จะเห็นจุดตา่างค่นขางเยอะซึ่งซึ่งถ้าเรามองมองในลักษณะ น, นี้ว่ า, าศาสนาเขาเป็นาศาสนาเป็นเทวะองค์การก็คือว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้กําหนดและองค์การออกมาด้วยพาน ตัวแทนที่จะเป็นนบีมูฮัมหมัดก็ดีตัวแทนก็นคือพระเยซูก็ดีเนี่ยมีตัวแทนข้อบัญญัติต่างๆนี่ยเขาเขาจะมีข้อปฏิบัติออกมาเนี่ยเพวกคนที่นับถือาศาสนาอิสลามก็ดีคริสต์ก็ดีเนี่ยเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่ออ้อนวอน อ, อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าครับทีนี้ใครสังเกตดูว่าพระเจ้าเนี่ยถ้าของเขามีจริงเนี่ยพระเจ้ายังมีความโกรธ ยังมีความโล้และยังมีความไม่รู้ใช่ไหมสตีฟจอฟนี่ละนี่เป็นเป็นความรู้สตีฟจอฟตอนเป็นเด็กแม่ก็พาเขาโบสถ์คริสไม่ใช่ญาญ า, าพาเข้ามีอยู่วันหนึ่งจนเจน้าสตีฟจอฟเนี่ยอายุเขาหกปีเขาไปเห็นหนังซื้อพิมพ์ก็เห็นพวกเออ ท, ที่ที่ทางยากจนทางประเทศต้อพัฒนาที่เอธิโอเปียายากจนทรมานพอเด็กคนนี้เห็นเขาชี้ไปบอ้ว่าพระเจ้ารู้ไหมว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกนี้เขาถามบาทหลวงบาทหลวงก็ลูก ล, ก, ลกหลังบอกรู้สิลูกพระเจ้ายอมรู้ทุกอย่างสเตปปิ้งจอม บ, บอกว่า ถ้าพระเจ้ารู้พระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกได้ยังแล้วเขาก็บอกแม่บอกยายเขาบอกว่าเขาไม่มีความจาเป็นที่จะมาบสถ์อีกแล้วนี่เด็กนะเด็กโขกโขคือเขามองแล้วมันนี่เราจะเห็นชัดเลยว่าคนที่มีใจกรุณาเขามองเขาคิดไอเด็กเล็กๆเกนะี่ยมันเห็นแล้วมันทนไม่ได้พระเจ้าเพราะว่ามันไปฟังบาทหลวงของพระเจ้าสร้างพระเจ้าดนบันดาลพระเจ้าอะไรใช่ไหม เด็กมันก็คิดตามภาษาถามว่ามันมีสิทธิ์คิดไหมเด็กคนนี้ตัตีปจอมตอนนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดใช่ไหมว่าเออพระเจ้ารู้ไหมรู้ถ้ารู้ให้สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นมาในโลกนี้ทำไมไม่จัดการอย่างที่บอกว่าเ อ, อคําสวดของเขาเนี่ยเป็นคําอ้อนวอน เขามีวันสิ้นโลกศาสนาคลิกก็ดีอิสลามก็ดีหรือหรืออยู่ก็ดีวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกเนี่ยพระเจ้าจะมาพิพากษาฉะนั้นถ้าอย่างหนูเนี่ยนะหนูเพชรเนี่ยไม่ทําดีมาทั้งชีวิตนะแต่พอถึงวันสิ้นโลกถ้าหนูตายไปยังไปไหนไม่ได้ก่อนพระพระเจ้าจะต้องมาหยิบดวงวิญญาณหนูมาดู เออหนูไม่ได้ทําชั่วเลยนะแต่หนูมีความผิดอยู่ข้อหนึ่งคือหนูไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้รับถือว่าเจ้าเนี่ยหนูจะถูกเอี่ยงลงในระกเพราะการไม่ได้รับถือนี่คือความผิดของหนูนะส่วนถ้าใครที่จะทําผิดทําชั่วแต่เพราะได้อ้อนวอนพระเจ้าได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ไดสรรเสริญพระเจ้าเขาก็จะหยิบดวงยานโยนขึ้นไปบนสวรรค์ใช่ไหมเขาจะมาพันพิพากษายอย่างนี้แต่มีอยู่กลุ่มหนึ่ง ไม่ต้องพิพากษาคือกลุ่มที่สิทธิพิเศษคือกลุ่มที่ยอมพรีชีพเพื่อพระเจ้าพวกนี้ตายแล้วเนี่ยพระขึ้นสวรรค์อันยิ่งต้องเข้าใจว่านี่นี่เป็นอย่างนี้อันอันนี้เราต้องต้องอันนี้เป็นความรู้เราต้องไม่โกรธเขาเพราะว่าจริงๆในโลกใบนี้ยมันมีอีกเยอะไม่ใช่แค่อิสลามไม่ใช่คริสแม้แต่ศาสนาพราหม์ฮินดูซิก หรืศาสนาเต่า อ, อะไรเยอะมากนเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากความไม่รู้ mm hmm. ก็ต้องกลัวไว้ก่อนผ mm hmm. มมองออกอย่างเดียวนี hmm. ้แล้วถ้าไปอ่านจะทาําอยังไงอยากจะอ่านไหมแต่ความอย่างนไงนะได้เจ้าค <laughs> ่ะจะมา <laughs> เราจะได้อ่านแล้วก็เข้าใจคํามากขึ้นแต่อ่านด้วยปัญญาอันนี้อ่านของท่านไหนก่อนได้ไหมเจ้คาคะไ ด, ได้ได้ได้แล้ว ท, ที่ที่สง่งมา ใช่ใช่ก็อ่านยินดีเลยแล้วก็ค่อยอ่านอ่านกูและแล้วตลกดีจ้าค่ะพี่ทิมบอกว่าอ้าวแม่ก็ไม่ซื้อซีเอเชียบุ๊คแม่บอกอ๋อคุณไม่ต้องซื้อว่ะถ้าเขาอยากไปอ่านต้องซื้อเขาต้องซื้อมาให้แต่พี่ทบอกโอ้โหกว่าจะสั่งมาต่นที่นู้นแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยดูอะไรเจ้าค่ะว่ต้องไปซื้อว่าที่ไหนแล้วมันสำหรับเท็่มันก็ท <t un cs> <t un cs languages> ําได้เจ้าค่ะลองทําได้อันนี้จัดจัดที่ฟังวันนี้ไปรู้สึกว่าทําได้ลองอ่านได้แลค่ะ คือจริงๆก็ต้อง ก, ก็เข้าใจว่าการที่เราเรามีที่ปรึกษามีครูบาอาจารย์นันก็ดีใช่เหรอก็เลยคิดว่าคือเราอ่านอ่านอย่างอ่านอย่างถ้าอ่านปุ๊บมันสงสัยตรงไหนขึ้นมาปุ๊บสอบถามตัวนี้รู้สอบถามเลยสอบถามไปเสร็จเ่ยสอบถามได้แล้วก็แล้ ว, ลวลเมื่อเราอ่านเราเข้าถามเราสามารถตอบเขาได้ไดเราก็ตอบเขาได้ เออประเด็ น, นตอนนั้นพุทธศาสนาไปที่จีนพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยไม่นับถือพุทธศาสนาแต่พระพระเมสสินับถือมากทีนี้พระเจ้ากรุงจีนเนี่ยต้องการจะทําทลายพุทธศาสนาพระเมสีเป็นคนฉลาดมากก็บอกว่ามหาบวพิษถ้าพระองค์ต้องการอยากจะทำลายพุทธศาสนาเราต้องรู้จุดออกฉะนั้นต้องอ่าน อืเรียบร้อยเพราะอ่านแล้วศรัทธาเกิดและเป็นคนที่ส่งเสริมมุธศาสนามากคือปพระเจ้ากรุงจีนมีมีมีอยู่ทา่าน<ต>อันนี้นี่เนี่ยทิศจีนไม่ค่อยมีมีอิสลามแล้วนะคะมีมีอยู่ท่านหนึ่ ง, งทีนี้ตรงนี้ที่เล่าให้หนูฟังคืออันนี้ทฤษฎีตรงเนี้ยที่เขาต้องการให้หนูอ่านก็คือต้องการให้หนูศรัทธาเพราะเข้าใจด้วยเพราะหนูต้านีไง เขาเชื่อว่าถ้าหนูได้อ่านหนูจะศรัทธาพราะวจะนะของพระอรหันต์ของพระเจ้ญญาแต่ที่เบลเล่าให้พระอาจารย์ฟังเนี่าคะว่าตอนแรกเก็เลยกลัวไม่อยากอ่าน <laughs> เพราะาตอนแรกไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะมีความคิดไปเชื่อทางด้านนั้นแต่จากที่ตอนที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าตอนแรกที่กลับมาแล้วพ่อเขาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เลยรู้สึกขัดแ ย, งย้งเยอะมากแล้วเพราะว่ามันไม่ ไม่ไม่เมกเซนอะไรอย่างเงี้หร อ, อก็เลยก็รู้สึกว่าอ๋อมมันมันมีหลายอย่างที่เขาดูเชื่อมากๆเลยเนาะค่ะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่พอไปฟังอันจะแบบชัดเจนมากว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเช่นเรื่องค่าแกะมันตนน้นอย่างเงี้ยเนาะเขาเล่าในแง่ของสิ่งที่ดีแต่ว่าสมาเพชรคือเพชรไม่ดีมากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆเวลาเราอ่านเราอ่านค่อยๆเวลาอ่านเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาเข้าไปรู้แล้วก็มาวิธีใชจัยตรงไหนที่มัน ไม่เข้าใจแล้วก็สอบถามครูบาอาจารย์ได้ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันนับว่าเป็นเป็นบุญของหนูที่หนูได้ได้มีที่ปรึกษาเพราะว่าการอ่านโดยไม่มีที่ปรึกษามันก็ก็อันตรายก็อันตรายจเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนถ้าถามว่าถ้าเราจะให้เขาอ่านคําสอนพรูบาอาจารย์ากล้าไหมล่ะเขาบอกว่าได้และเจ้าค่ะเพราคือว่าเขา เพอาอย่างที่เพชบอกว่าเพมีนิสลักษณะนิสัยอย่า ง, ง, งเจ้าค่ะอาจารย์คืออันนี้จากที่ไปสังเกตของเพชรตั้งแต่รู้จักกับอาจารย์ในเรื่องของตัวเองก็งคืออาจจะเพราะว่าพ่อแม่เพชไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเ<ม>จาา้าค่ะเพชเห็นแม่อยู่คนเดียวเ<ม>พราะฉะนั้นเราเพชรไม่เคยเห็นเขา ย, ามา ย, ยอมหรือว่าเขาต้องอดทนอะไรกับในเรื่องของชีวิตคู่เจ้าค่ะของเพชรอะส่วนใหญ่เวลาเขาขอก็อจะขอเท่ากันดีๆอย่างเช่นเขาขอให้ไปอ่านเพชก็ขอให้เขาอ่านเหมือนกันอย่างเงี้ยเจาา้าค่ะหรือว่า ทุกเรื่องเลยสิคะบางบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีบางทีมันก็ไม่นสิ่งไม่ดีแต่ว่าคือเพนไม่ไม่ต่อรองนะคะคือเพนเชื่อเพนสิ่งที่มันยากอยู่กับเพนนิดนึงก็คือผู้หญิงและผู้ชายเท่ากันมากเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทะเลกันงจริงๆแล้วนะคะเพนไม่ยอมถ้าเพนไม่คิดว่ามันจะต้องยอมหรือไม่เห็นก็ว่าการยอมเป็นยังไงเนื้อออกไหมจ๊ะค่ะเหมือนในสิ่งที่เพนคิดออกมาเองว่าอาจจะเพราะเพนไม่เคยเห็น ด้วยอะค่ะคือจริงๆจริงๆเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไเป็นคนโมร็อกโกจ้ะค่ะโมร็อกโกโมร็อกโกเกิดมาต้องเป็นมุสลิมเหรอคะอย่างนี้เลยแล้วค่ะคือคือประเทศเขาอะแลคะเกิดมาเนี่ยทุกคนที่เป็นสัญชาติโมร็อกโกจะต้องเป็นมุสลิมค่ะจํำกัดมันก็เลยมีเพื่อนเขาหลายคนมากๆที่ไม่มีศาสนาเนาะค่ะเยอะมากๆแล้วค่ะคือที่สุดจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตในโลกของอนาคตเนี่ย วิทยาศาสตร์มันจเจริญ ม, มากเป็นขนาดนี้แล้วนตอบปัญหาขึนมาแต่ประเด็นคือแต่ที่สุดจริงๆในพุทุชนมันก็กลัวเนี่ยเขาเขา เ, ข า, เขากลัวทีนี้<อ>ถ้าหนูจะให้เขาอ่านตำพีพุทธศาสนาก็ต้องให้อ่านตำพีพุทธธรรมของหลวงพ่อไปซึ่งมีฉบับภาษาอังกฤษต้องให้อ่าน เหมือนแม่แปลอะไรไม่ดูไว้บนโต๊ะแล้วค่ะท่าหนอยมันคืออะไรไม่อยากอ่านมากเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจากป้าอาจารย์หรือว่าแต่เรอแม่ลัมาพงนี้อันนี้เป็นของเป็นของหลพ่อสุเมธอ๋อเห็นที่แปลภาษาอังกฤษจะค่ะก็เลยเหมือนวันนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะก็เลยแอบอ่านไปนิดนึงเพราะว่ามีภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยเป็นเป็นของหลพ่อสุเมธโทอันนี้ไม่ได้เขียนเป็นเกียตรงเขียนเรื่องอริยศัตร์ใช่รอเห็นแล้วรอ นั่นตรงนี้ก็หนูอ่านได้ไดดอ่านแบบประเภทที่อ่านแบบแบบใช้ปัญญาก็ไปอ่านอ่านอย่าไปอินอ่านอย่าไปอินอ่านแล้วอ้ออ่านอย่างผู้ศึกษาอย่างผู้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้คำาสพทแล้วเราก็บอกเขาเลยว่าเออทำไมฉันต้องอ่านเพราะฉันรักคุณ คุณให้อ่านนะี่ว่าคุณเห็นว่าที่คุณเห็นว่ามันดีที่สุดอืฉันเลยอ่านแต่ว่าเมื่อฉันอ่านแล้วอืฉันจะเห็นอย่างไรพี่ฉันจ ะ, อ, ะอ่านแล้วจะมีมุมมองอย่างไรนั่นก็เป็นสิทธิของฉันที่เป็นสตองฉันที่ฉันจะนั่นก็ต้องเข้าใจได้เพราะมันเป็นเรื่องของ เพราะหนูเลือกที่จะคบกับคนที่มีความเห็นต่างอย่างนี้นะคนข้างที่ต่างต่างที่มันเป็นจุดหมายกันเลย<ม>เป้าหมายมเป้าหมายที่มันเป้าหมายหนึ่งไปอยู่กับพระเจ้าแบบพี่รันดอน<ม>เขาเกิดครั้งเดียวนะนซึ่งมันเป็นความหน้าหวาดเสียวของเขายิงนะถ้าตายแล้วเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าก็ตายแล้วก็จะถูกเหวี่ยงลงไปในนรกโอ้โหมันเขาไม่กลับไม่สามารถจะกลับมาได้อีกเลย เข้าใจไหมเราซึ่งซึ่งมันถูกอย่างนี้เราคุณจะนับถือฉันหรือไม่นับถือถ้าไม่นับถือฉันคุณมีสิทธิ์ไปที่เดียวเท่านั้นคือคุณจะลงนะลูก<ม>คุณจะเป็นซาตานเป็นอะไรไปเลยลองคิดดูห<ม>ให้เลือก่ะไม่นับถือก็ได้คุณก็เลือกจะเป็นอย่างอคือมันมีแค่สองทางเลือกไงแต่พุทธศาสานามีสามทางเลือก<ม>ใช่ไหมหนึ่งก็คือว่า ยินดีเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงเป็นเรื่องการมาสุขเป็นกามาคุณไปเลยสองเคร่งเครียดเห็นไหมเห้นไหมถ้ามองนีคือพุทธศาสตร์นามีมีสามทางเรียกก็คือว่าส่วนหนึ่งอยู่สุคติโลกสวรรค์ไอ้ส่วนหนึ่งลงอบายภูมิอีกส่วนหนึ่งพ้นทุกข์ก็คือว่าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไอ้ลงอบายภูมิเนี่ยก็เวียนว่าย จะเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรก า, ายบ้างโอกาสจะรอดกลับขึ้นมาอยู่ในสุคติได้อยู่แต่น้อย<ม>แต่ก็มีไม่ใช่มีกลุ่มหนึ่งไปสุคติโลกสวรรค์ไปเพลิดเพลินไปเลยเป็นมนุษย์เทวดาพรมไปเลยแต่ก็มีโอกาสหมดอายุเหมือนกันล่วงได้เหมือนกันแต่เอทางอีกสายหนึ่งคือสายกลางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดเลย<ม>เอา้าวเลยสามทางเลยคุณจะเลือกตรงไหนถ้าคุณยังไม่อยาก ใ่พ้นทุกข์ก่อนคุณจะไปอยู่เป็นมนุษย์เป็นเดวดาวนโดนโดนนีนนนนน้แต่คุณต้องระวังไว่อย่าให้ลงต่อย่างไงเนี่ยมันมีสามทางเลือกใช่ไหมกดความจริงนี่บอกกฎความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเทพเจ้าก็ตายเป็นพระเจ้าเป็นพระพรหมก็ตายเพียงแต่อายุมากกว่าเขาน่อพวกนี้ ไม่มีสิทธิ์เป็นดนบันดาลใครเพราะตนเองก็มาจะกรรมคือการจะทําเราอยากจะเป็นก็ได้อยากจะเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นพระพรหมก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้หรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นต้นก็ได้หรืออยากจะไปพิพาานี่สิทธิมันเป็นอย่างนี้นี่คือบุทรสังขนใช่ไหมเออไอตรงนี้มันมันสามทางเลือกแต่อันนี้ของเขามันสองทางเลือก ไม่นับนับถือไประโยชน์เขาจ้าถ้าไม่นับถือคุณก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นถ้าหนูอยู่ในสถานการณ์นั้นหนูก็ต้องกลัวจริงไหมอย่างนี้ถ้าหนูปังนี่พราะหนูกรุณาเขาไหมหนูกรุณาแฟนไหมกรุณาหรือไม่การุณาเถ่ะไหมเพราะเขาได้แค่สองทางเลือกเขาไม่มีสิทธิ์จะเลือกทางที่สามได้เลยเพราะไม่รู้ว่ามันมี ถ้าเราบอกว่าเราสามารถคุยเขาบอกว่านับถือคของคุณเนะี่ยนับถือพระเจ้าไปอยู่กับทุกอย่างถ้าไม่นับถือหลงนะลูกของเราบอกว่าถ้าทําดีไปอยู่กับเทวดาอยู่เทพอยู่กับพรหมดเหมือนกับอยู่พระเจ้าถ้าทําไม่ดีลงมาอยู่กูถ้าดําเนินไปตามมัชิมาปฏิปทาไม่ปรารถนาการเวียนว่ายแต่กูอันนี้เป็นอีกทางหลึก อันนี้ยก็ต้องบอกเขาในส่วนยิงรถที่ฉันเลือกอย่างนี้เพราะฉันเป็นคนที่เลือกที่จะเดินเองจะทำเองพระพุทธเจ้าบอกแค่ทางเดินบอกแล้วก็ให้ตัดสินใจเองว่าคุณจะไปทางไหนคุณจะเลือกลงนรกคุณจะเลือกไปสวรรค์อยู่กับเทพเจ้าหรือคุณจะเดิเดนไปสู่ความพ้นจากกิเลสทงคร เราก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าทำไมเราจึงเลือกเลือกวิถีชีวิตแบบนี้ที่เราเลือกวิถีชีวิตอย่างนี้เพราะว่ามันไม่บังคับมันอยู่ที่เราเราเราต้องการจะเลือกเองมันมีทางให้เลือกเยอะแยะมองเห็นไหมมันมีทางให้เลือกเยอะแยะแต่ถ้าไปจำกัดว่า วัดกันนี่นับถือหรือไม่นับถือผม อ, อึดอัด น, นะห <c oughs> นูอึดอัดไหยเห็นไห ม, ม, ไหมถ้าเอาใจเข้าไปรับอึดอัดเลยแต่ถ้าหนูมองอย่างนี้ปุ๊บนหนูจะมองบบกรุณากรับถ้าเป็นยันยันก็กรุณาเลยว่าประเด็นก็คือว่าหนูก็ถ้าหนูกรุณายิงหนูก็ต้องสร้างศักยภาพขึ้นมา <c oughs> ว่าหนูจะสามารถมีศักยภาพที่จะดึงเขาได้ <c oughs> ช่วยเขาได้ต้องวัดความสามารถของปัญญา ใช่ไหมถ้าปัญญาไม่พอนอกจากจะดึงเขาไม่ได้ก็ถูกดึงด้วยใช่ไหมเพราะเขาก็เป็นคนมีปัญญาใช่ไหมมีไหมมีเลยค่ะใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามีสำหรับันจะพูดเรืงเรื่อง เร่อที่เขาชอบใช้คาพูดว่าอาจารย์ไปพนดเลยค่ะฟังมันจะชอบดีใจเล็กๆก็ได้เขาฟังแต่จริงๆเขาคิดเขาคงคิดว่าไปคิดเองได้แต่จใช้คำพูใช้คำพูดอาจารย์หมดเลยเหมือนที่เห็นแลผลยังไงนะคะเขาไม่เคยเชื่อเลยเรื่องเหตุผลเลยนะคะแล้วทีนี้เหมือนล่าสุดพูดเรื่องเหตุกับผลเขาแบบว่าชอบแล้วก็เข้าใจ่าแล้วก็มีเขียนมาให้ไพาเออมัน เขาดีใจมากมากเลยนะแล้วเขาบอกว่าเขาภูมิใจตัวเองมากที่ได้คิดเรื่องเหตุการณ์ออกได้คิดในใจว่าแต่ว่าก็เนี่ยนะคะมันก็ต้องดูแบบไป้อะนะคะคือไปแค่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้พยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วไปอาจจะชอบอยู่กับคนที่อาจจะต้องทำให้เธอเหนื่อยขนาดนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนึกไหมเจ้าคะแต่ว่าก็ ตอนนี้พยายามไม่เหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่เจอก็ทาให้เป็นแบบพยายามฝึกฝึกาฝึกตัวเองได้แต่ว่ามันเหนื่อยนินึงแหเนาะค่ะแต่ว่าก็เวลาใดถ้าหนูใจก็ไปรับมันจะเหนื่อยมากแต่เวลาใดหนูเห็นว่าปัญหามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไปเรียนรู้ไปศึกษาไปวิจัยถ้าดูเพื่อจะฝึกฟังเพื่อจะฝึก ดูแบบศึกษาฟังเพื่อศึกษาก็ดูเพื่อเสพ ฟ, ฟังเพื่อเสพคนละเรื่องนะ<น>แล้วเหมือนอีกเรื่องหนึ่งเหมือนเขาเป็นคนขี้โมโหมเหมือนเด็ใช่ไมาเหมือนเท่าๆกันเนาะพจอาจจะขี้โมโหมากกว่านิดนึงแตเขาก็ขี้โมโหเหมือนกันแล้วเหมือนพอครั้งนี้เาก็เลยพูดว่างั้นตอนนี้ต้องมาฝึ ก, ากกับทางคูว่าต้องพยายามให้ไหม่ ไม่โกรธไม่โมโหไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ชอบมาเขาเออเนี่ยเขาต้องฝึกนะไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหแล้วก็ต้องพยายามใจเย็นในการพูดและไปเห็นว่าเขาพยายามจริงจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นถ้าในพุทศาสนาในพุทธเจ้าจะสอนอุบายในการไม่พยายามโกรธอุบายที่จะสามารถละความโกรธสอนไว้ตั้งสิบเอ็ดวิธีเนี่ไสอนไม่หมดเลยอุบายในการดีราความโกรธ อันี้เขาว่าเขาต้องเรียนเจ้ะเพราวมกรมันเหนื่อยทําลายเยอะเจ้าค่ะเพราะคเหนื่อยมากเจ้่เวลาจะมีอารมณ์ขึ้นมามันก็ปวดหัวอะไรเลยจ้าค่ะงั้นคนโดยทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีอุบายในการละละทุศักด์แต่พระเจ้าจะสอนเรื่องอุบายในการที่จะละทุศักด์แล้วก็สอนอุบายในการที่จะเจริญเมตตาอีกแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเมตตาเนี่ย คนที่จะทำให้เมตตาก็คือหนึ่งดูว่าลักษณะของเมตตาเป็นอย่างไรเมตตาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันทำกิจมันทำท้านที่อย่างไรผลของเมตตาเป็นอย่างไรเหตุใกลนะ้เหตุใกล้ของเมตตาอะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตาเขาเรียกปัจจุปฐานะปัฏฐานะก็คือปัฏฐานปัฏปัฏฐานนะ คำว่าประทัดฐานในที่แปลว่าเหตุเหตุใกล้เหตุใกล้คิดไอ้ดูนี้สำคัญก็คือคําว่าเหตุใกล้คิดว่าทําอย่างไรเมตตาถึงจะเกิดก <T> ็คือมองจุดเด่น <T> ฝึกในการที่จะเห็นจุดเด่นคนได้ง่ายมองจุดเด่นคนได้ง่ายถ้าถ้าต้องการจะให้โทสะเกิดก็มองจุดด้อยคนมีความสามารถในการมองจุดไม่ดีของคนได้เร็วได้ง่ายโทสะจะเกิดอย่ารวดเร็ว จริงไห ม, ง, ไหมงั้นที่เรามองไปที่เขาแล้วเราโกรธเพราะเราเห็นจุดด้อยเขา mm hmm. เห็นความไม่เขาา้าท mm ่า hmm. ทั้งพฤติกรรมของเขาค mm hmm. วามคิดของเขาคํ mm hmm. าพูดของเขาสิ่งที่เขาเชื่อถือเนี่ยเราไปเห็นอย่างนี้ได้ง่ายได้เร็วแล้วก็จับประเด็นนั้นมาไว้ในใจเราปุ๊บมันก็ลันกระทุ้งทาให้ใจเราโกรธขึ้นมา mm hmm. เห็นไหมแต่ท่านตรงกันข้ามแล้วก็มองจุดเด่นเขามองจุดดีเขาฝึกฝึ ก, ฝ, กฝึกมองแต่ไม่ใช่ไม่เห็นจุดไม่ดี หรือไม่แค่ไปหลับหูหลับตามองแต่จุดดีๆไม่ใช่เราเลือกที่จะมองคือในกระแสชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันมีทั้งอนาคตมีทั้งการกระทําทางกายที่ดีและไม่ดีมีทางทางวาจาที่ดีและไม่ดีมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งสภาพจิตใจมีทั้งสิ่งดีๆที่เขาทําเราก็เลือกมองในสิ่งที่ดีๆเพื่อมารักษาเกื้อกูลชีวิตจิตใจของเราแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้เมื่อเรามองจิตใจเรา ชุ่มฉ่าแล้วก็กลับไปมองสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่เครียดเราก็จะเข้าใจมองได้ปัญญามองด้วยความรู้ความเข้าใจเห็นไหมวิธีลักษณะเนี้ยมันก็สามารถที่จะบาลานซ์ใจเราได้ mm hmm. แต่ถ้าเราไปมองแต่จุดด้อยจุดไม่ดีเรียบร้อยเลยในส่วนที่มันทะเลาะกันขัดแย้งกันก็เครียดก็โกรธเห็นไหมหลักการในพุทธศาสนาสอนไม่กระทั่งวิธีคิดคิดยังไงให้โทสะเกิดคิดยังไงให้เมตตาเกิด mm hmm. สอนอย่างนี้ขนาดนั้น แล้วก็สอนวิธีการมองคิดยังไงเพื่อจะละโทสะเวลาโทสะเราเป็นคนมีโทสะเกิดมากเออจะจะคิดยังไงอย่างนี้เป็นต้เดีย๋ยวยกตัวอย่างเช่นการการการที่เราโกรธคนอื่นเนี่ยหรือมองแล้วเราไปโกรธไปอาฆาตหรืรอพยาบาทเนี่ยก็เหมือนเรามือไปจับฐานไปและเราออกกว้างครับฐานมันไหม้กก่อนมันไหม้มือเราก ก่อนที่จะคนอื่นเขาจะร้อนนี่ไหมโท่สาเวลามันเกิดขึ้นมามันเผาใครก่อนมันเผาใจเราก่อนแล้วในขณะที่มันเผาจิตใจเราแล้วเนี่ยสภาพร่างกายเป็นยังไงโอ้โหมันร้อนลุ่มหมดเลยมผมคนเล็บฟันหนังมีอาการถูกไฟคือโ ท, สท่สาเผาจะเป็นคนที่ผิวพันซามเป็นคนที่แก่ง่าย<ม>เป็นคนที่ <c oughs> มีโรภคภัยไข้เจ็บง่ายโรคความดันโรคไตโรคตับทั้งหลายมันจะตามมาด้วยคนที่เป็นคนขี้โกรธทั้งหลายอะไรนี่เป็นต้นเนี่ย การที่ปัญญาเราไปเห็นกระบวนการที่เราทำลายตัวเองแบบนี้ขึ้นมามันก็จะไม่อยากกดตัดีใช่ไหมนี่เนี่ยวิธีคิดแต่ตรงนี้เป็นเรื่องจริงสอนใหค้คิดเรื่องจริงตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นหรือหรือในกรณีที่ว่าถ้าเราไปโกรธเราไปโกรธหรือเราไปเราไปมองบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายที่ไม่ดีแต่พฤติกรรมทางวาจาดี บางคนพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ดีสภาพจิตใจดีมีความกระตันอยู่กระทำเวทีก็เลือกที่จะมองหือ응เลือกที่จะมองพฤติกรรมทั้งหลายเรื่อนี้ที่เกื้อกูลต่อต่อเมตตาในใจเราสอนวิธีการอย่าง น, น, นี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าตั้งใจว่าฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่โกรธไม่ได้มันโดยมากไปเจอสายการกระพังทุกอย่างแต่ก็ให้ปัญญาให้อาหารของสภาพความคิดแต่นี้ความคิดมันจะโปร่หมดเลย มันจะความคิดจะหลากหลายใช่ไหมมันไม่ไม่ไม่ติดตันเฉพาะอย่างเดียวโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีทิฐิยึดไว้เลยว่าถ้าทําอย่างนี้นะฉันไม่ชอบเราจะบอกก็เลยเช่นค่าแกะฉันไม่ชอบอะไรอีกสามอย่างกันเลยค่าแกะไม่อดอาหารออถือซีนอดไม่ถือซีนอดไม่ค่าแกะไม่เผาไอ้ไม่ไม่ฟังไม่ฟังอะ แต่ว่าก็ตอนนี้หายแล้วเจ้ค่ะไม่ได้ไปติดกับข้อพวกนี้แล้วเพราะว่าจริงๆ <จะ S 1> ตรงนี้ดิจิตใจหลุดออกมาได้าถามว่าเขาฆ่าบาปของเขาใช่ไหมแต่ว่าจะไม่ให้เราทําไม่มีมทา ง, งเราไม่ทำเด็ดขาดเพราะเป็นการเบี่ยนๆแล้วเราก็บอกว่าหลักการอย่างนี้ถามว่าฆ่าฆ่าบูชายันเราก็เห็ น, นอันนี้ก็ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นาการกระทําที่มันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเบี่ยนครับ พอเจ็บปุ๊บพอมองเห็นเลยด้วมองเห็นมากเลยเจ้าค่ะเดี๋ยเป็นเอาหลายท่านหลายไว้เลยขอบคุณมากมากเลยนะเจ้าค่ะดีเลยเพลสตั้งใจมากๆเลยเจ้าค่ะตอนนี้ต้องใอสู้แล้ต้นเยี่ ในเด็ก